กอปราปิสมันนาคตกถา4ีอว่าด้วยผู้บริบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง406รกสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภัตสี่เวทนาสี สัญญาสเจตนาสจิตสศรัทธาสีวิรยิยะสสติส ส, สมาธิสปัญญาสีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะสามเวทนาสามปัญญาสามใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่ สกワทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะสองเวทนาสองปัญญาสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระโสดาบันผู้สัตตกขตตุประมะโกลังโกละและเอกภีชีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระอาณาคามีผู้อันตระปรินิพพายี อุปหัต จ, จะปรินิพายีสังขาราปรินิพายีสังขาราปรินิพายีอุดทังโสโตโอกติทคามีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นพระโสดาบันผู้สตักขตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอนาคามิผลเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นพระโสดาบัน ผู้สัตตคัตตุประมะโกรังโกละเอกภีชีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น407สกวาทีบุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลกับพระโสดาบันเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลกับพระสกทาคามีเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ผู้บริบูรณ์ด้วยอาาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระอนณาคามีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลกับพระอณาคามีเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปติผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปติผลใช่ไหมปรวาทีใช่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 เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลกับพระสกทาคามีเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลกับระโสดาบันเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔๐๘สกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากบุกคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้ว ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหั ต, ตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพินล์สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลร่วงเลยโสดาปฏิพัไปแล้วยังเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล ล่วงเลยโสดาปติมักไปแล้วล่วงเลยสกายทิฏวิจิกิจฉาสีรพตะปรามาตรราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฏเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูบรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล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 บุคคลผู <Where i S 2> well, ้ป yes. ฏิบ mm ัต hmm. ิเพ so ื่อทำให้แจ้งอรหัตผลร่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลร่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลสกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลร่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลร่วงเลยอนาคามิมักไปแล้วร่วงเลยการมาราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ ด้วยการมราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสี9ร้อยเก้าสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอนาคามีผลร่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วไม่ใช่หรือ ปราวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วท่านไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้ว เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลร่วงเลยโสดาปฏิมักไปแล้วร่วงเลยสกายทิฐิร่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อาบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมมีสกายทิฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหม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 เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลร่วงเลยสกทาคามิมักไปแล้วร่วงเลยกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยกามราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สี่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลร่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วไม่เช่หรือประวาทีใช่สกวาที หากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลร่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วท่านไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลร่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธิบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลร่วงเลยโสดาปฏิมักไปแล้วร่วงเลยส ก, กายทิธิร่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมมีส ก, กายทิธิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น411ปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลได้ผลสามแล้วไม่เสื่อมจากผลสามนั้นม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลได้ผลสามแล้ว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 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนณาคามิผลได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสอง ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปฏิผลแล้วและไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลนั้นม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาที หากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปฏิผลแล้วและไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผล412สกวาธี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลได้ผลสาแล้วและไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ได้ผลสามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผลได้มรสีแล้วและไม่เสื่อมจากมรสีนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผล จึงเป็นผู้บริบูรณ์ได้มักสี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามีผลได้มรสามแล้วและไม่เสื่อมจากมรสามนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ได้มรสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปฏิผลแล้วและไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผล น, นั้น ดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื yes uh ่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ได้โสดาปติผลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลได้มรักษสองแล้วและไม่เสื่อมจากมรักษสองนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ได้มรักษสองใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอปราปิสมานนาคตะกถาจบสิบสับพพสัญโยชนะปะหานักถา42ว่าด้วยกาลสังโยชน์ทั้งปวง413สกวาทีการลสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหมปรวาทีไม่ะควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีละสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาตได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาตีรัสกายทติฐิปิจิกิจฉาสีรพตปรามหาได้โดยอรหัตมักใช่ไหมประวาตีใช่สกวาตีการลสังโยชน์สามอย่างได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปติผลใช่ไหมประวาตีใช่ักวาตีหากการลสังโยชน์สามอย่างได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปติผลท่านไม่ ย, ยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอารหาัตผล414ักวาทีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอารหัตมรักษใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอารหาัตมรักษใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น415ส ก, กวาธีละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหมป ร, าวากกรวาธีใช่สกวาธีความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลใช่ไหมป ร, าวากกรวาธีใช่สกวาธี หากความเบาบางแห่งการมราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตะมักสกวาธีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหมปราวาธีใช่สกกวาธีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น416สกวาทีละการมราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตะมักใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการละการมราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลไม่ใช่หรือประวาทีใช่ สกาวาทีหากการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมักสกาวาทีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมักใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีการละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะ และอวิชชาได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรหัตผลไม่ใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหาการละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะและอวิชชาได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรหัตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสัง้งยอดทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรรค 417ปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่ากาลสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหัตตผลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสังโยชน์ทั้งปวงพระอรหันตละได้แล้วมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสังโยชน์ทั้งปวงพระอรหันตละได้แล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากาลสังโยชน์ทั้งปวง เป็นอรหัตผลสภสัญโยชนปหานากาถาจบจตุทวักจบรวมคถาที่มีในวักนี้คือ 1. คขีหิตสะอระหาติกะถา 2. อ, อุปติกะาถา 3. อนาสวาวะกถา 4. สมณ น, นาคตกถา 5. อุเปขาสมณ น, นาคตกถา 6. โพธิยาพุทโทธทิกฐาเจลัคนะกถาฐนิยาโมกกันติกะกถาฐอัปปราปิสมันนาคตะกถาฐ0สิสัพสัญโยชนปหานะกถาฐปัญจมวัตหนวิมุตติกถาฐ3ว่าด้วยความหลุดพ้น 418รสักสวาทีวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีวิมุตติยานทั้งหมดนั้นชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีปัจจเวคขณะยาน ชื่อวา่าหลุดพ mm ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติยานของโคตรตรพูบุคคลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของพระโสดาบันเป็นยานของผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาที ใช่ส ก, กวาทียานของพระสกทาคามีเป็นยานของผู้ถึงพูดได้บรรลุทำให้แจ้งสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาธีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาที ยานของพระอนาคามีเป็นยานของผู้ถึงผู้ได้บรรลุทําให้แจ้งอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลชื่อวา่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของพระอรหันต์เป็นยานของผู้ถึงผู้ได้บรรลุ ทำให้แจ้งอรหัตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น4 19, ี่รสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้พรางพร้อมด้วยโสดาปฏิพันธชื่อวา่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธชื่อวา่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหม ปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสกทาคามิผลชื่อวารุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อวารุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยอนาคามิผลชื่อว e. ่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยอรหัตตผล ชื่อวารุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผลชื่อวารุดพ้นแล้วใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น420ส ก, กวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสดาปฏิผล ชื่อวราลุดพ้นแล้วและ ว, วิมุตติยานั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมส ก, กวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลชื่อวรรลุดพ้นแล้วและ ว, วิมุตติยานั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาที วิมุตติยานของบุคคลผู้ปลังพร้อมด้วยสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปราวาทีใช่จักกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอนาคามิผลชื่อวารุดผลแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลชื่อวารุดผลแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีวิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอรหัตตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมเประวาทีใช่สกวาธีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้ว และวิมุตติยานนั้นเป็นยานของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นวิมุตติกถาจบ 2. อ, อเสขยานากถา44ว่าด้วยยานของพระอเสขะ4ี่ยยี่สกวาทีพระอเสขะมียานของพระอเสขะได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระเสขะย่อมรู้เห็นธรรมของพระอเสขะเข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนเห็นรู้ทําให้แจ้งแล้วถูกต้องโดยกาอยู่ใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทําให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยกาอยู่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 พระอเสคะย่อมรู้ย่อมเห็นธรรมของพระอเสคะย่อมเข้าถึงธรรมของพระอเสคะที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้งแล้วถูกต้องด้วยกาอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่สักวาทีพระเสคะมีญาณของพระอเสคะได้พระเสคะย่อมรู้ย่อมเห็นธร ร, ร, ร yle, ม ข, รรของพระอเสคะย่อมเข้าถึงธรรมของพระอเสคะที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้ง ถูกต้องเด็กายอยู่ใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น422สกวาทีพระเสขะมียานของพระอเสขะพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องเด็กายอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่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 สกวาทีโคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปติมักได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปติผลมีญาณในโสดาปติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล เพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลมียานในอรหัตตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น423ปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าพระเสขะมียาของพระเสขะได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านพระ อ, อ น, นุ์ยังเป็นพระเสขะรู้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีพระคุณนันยิ่งพระสารีบุตรเทระพระมหาโมคคัลลานะเทระต่างก็มีคุณนันยิ่งมิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากท่านพระอานน์ยังเป็นพระเสขะอยู่พระผู้มีพระภาคทรงมีพระคุณนันยิ่งพระสารีบุตรเทระพระมหาโมคคัลลานะเทวะต่างก็มีคุณนันยิ่ง ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระเสขะก็มีญาณของพระอเสขะได้อเสขยานกัถาจบ 3. วิปริตกัถา45ว่าด้วยญาณวิปริต424ยส ก, กวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริต ได้ใช่ไหมประวาทีใช่ั ก, กวาทีความวิป ร, ราตในสภาวธรรมที่ไม่เทียเท่ยงวะเที่ยงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นั ก, กวาทีความวิป ร, ราตในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาที่ไม่งามว่างามได้ ม, มีอยู่ไม่ใช่หรือ ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นกุศลมิเชฟหรือปรวาทีใช่สกวาที หากยานเป็นกุศลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้สกวาทีความวิปราตในสภาวธรรมที่ไม่เทียเท่ยงว่าเที่ยงและความวิปราตนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ และยานั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์กว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาที่ไม่งามว่างามและความวิปลาสนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปลาดได้ และยานนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น425ส ก, กวาทียานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้และยานนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีความวิปลาชในสภาวธรรมที่ไม่เที่ยงวะเที่ยง แต่ความวิปลาตนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้และยานนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความวิปลาดในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอตตาที่ไม่งามว่างามและ ความวิปราชนั้นเป็นกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น426สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันเข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่ ักาวาทีหากพระอรหันต์เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้ักาวาทีญานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้พระอรหันต์พึงเข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีใช่ ักวาทีความวิปราชของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความวิปราชของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีสัญญาวิปราชจิตตาวิปราชทิฏฐิวิปราชของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญาวิปลาชจิตตะวิปลาชทิฏฐิวิปลาชของพระอารหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสัญญาวิปลาชจิตตะวิปลาชทิฏฐิวิปลาชของพระอารหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความวิปลาชของพระอารหันต์มีอยู่4ย ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ายานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตใช่ไหมจั ก, กวาทีใช่ปรวาทีปฐวีกสินย่อมปรากฏแก่ผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์เป็นดินล้ว น, วนใช่ไหมส ก, กวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที ดังนั้นยานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์จึงวิปริตสกวาทียานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีดินมีอยู่และบางคนที่เข้าปฐวีกสินจากดินก็มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากดินมีอยู่และบางคนที่เข้าปฐวีกสินจากดินก็มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้สกวาทีดินมีอยู่และยานของผู้เข้าปฐวีกสินจากดินวิปริตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีนิพพานมีอยู่แต่ยานของผู้เข้าสมาบัติ ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จากนิพพานก็วิปริตได้ใช่ไหมประวาธิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์วิปริตได้วิปรีตกถาจบ